คือการเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานให้แล้วเสร็จท่านพระครูให้นายสมชายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของกุติซึ่งมีห้องเล็กๆว่างอยู่แล้วให้นายขุนทองอยู่ห้องชั้นล่างแทนลูกศิษย์หนุ่มอินดีปรีดาเซนที่ได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระแม้จะรู้สึกขัดลูกหูลูกตากับจริตจก้านของฝ่ายนั้นก็ยังดีกว่า รับภาระหนักอยู่แต่ผู้เดียวอุปนิสัยอย่างหนึ่งของนายขุนทองคือการเป็นคนรักสัตว์ตอนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านกิจวัตรประจาวันของเขาก็คือเลี้ยงดูให้อาหารแก่หมูหมากาไก่เวลาแต่ละวันจึงหมดไปกับการวุ่นวายอยู่กับสัตว์เหล่านี้เมื่อมาอยู่วัดป่ามะม่วงนายขุนทองก็ไม่ได้มามือเปล่าหากหอบหิ้วลูกสุนัข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 ชาติต่อมาก็เป็นทายก <ety> ของวัดป <sized> า่ามะม่วงแห่งนี้น่าเสียดายที่ต้องมาอุบัติในกำเนิดเดรัจฉานซึ่งเป็นทุคติภูมิเหล่าสัตว์ที่เกิดในทุขติภูมินั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทอเวนัยสัตว์จึงไม่อาจรับธรรมะได้แต่ก็คงจะเป็นบุญของมันที่ได้มาพบท่านเพราะชาติต่อไป มันจะไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกท่านจะต้องลุ้นมันให้ถึงที่สุดหลุงลุงฮอก้อนหินนั้นเ ก, ก, กะเกาะจังเอาไปไว้ที่อื่นไม่ได้หรือฮอนายคุณทองถามหลังจากที่ท่านพระครูฉันพัฒนาช้าเสร็จตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกุฏิเขาก็จัดการให้ท่านฉันเซจที่ชั้นบนเพราะแขกบางคนชอบมาพูดคุยซักถามขณะที่ท่านกาลังฉัน ก้อนไหนล่ะก้อนที่รูปร่างเหมือนไข่ยักษ์นะฮะข้าไม่เคยเห็นไข่ยักษ์เลยนึกไม่ออกแต่ถ้าเองจะหมายถึงก้อนที่วางอยู่ทางด้านขวาของอาสนะข้าก็จะบอกเองว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาแหมหลงลุ่งล้วก็หนูถามดีๆต้องยวนด้วย หลานชายต่อว่าพลางค้อนประหลับประเลือกท่านพระครูชินเสร็จแล้วกับกริยาเช่นนี้จึงไม่พูดไม่ว่าให้เขาต้องรำคาญหูก็ที่กุติหลวงลุงมันมีหินกี่ก้อนละ่ะตั้งแต่เข้ามาอยู่หนูก็เห็นก้อนเดียวนั่นแหละแล้วที่ว่าไม่ใช่ธรรมดานะ่ะมันเป็นหินวิเศษหรือฮะหนุ่มวัย2ี่สิเอ็ดถาม อย่าไปเรียกเขาว่ามันข้าจะบอกให้เองรู้แล้วก็อย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นละ่ะหินก้อนนั้นนะ่ะมีวิญญาณสิงอยู่เขาอยากมาปฏิบัติกรรมฐานข้าก็เลยให้เขาอยู่ชั้นล่างผู้หญิงหรือผู้ชายฮอนายขุนทองถามเขาเชื่อว่าผีมีจริงแล้วเขาก็เป็นคนไม่กลัวผี จึงไม่ได้ส่งเสียงกริดกราดออกมาพูดชายหล่อไหมฮะเอ็งถามทำไม<_ <C> _>ก็เ่านเห่อหนูจะได้จีบเป็นแฟนนะสิฮอมีแฟนเป็นผีมัมนเท่หยอกเสมอไรคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตอบท่านพระครูรีบห้ามว่านี่ขอเสตทีเถอะเจ้าขุนทองเอ็งอย่าได้มาคิดลามกจกกระเปรตด ในกุติของข้าที่ข้าให้เองมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะให้มาทำความดีนะคนอยากมีแฟนมันช่วยยังไงละฮะคนถูกว่าย้อนมันวิปริตผิดเพศไงแล้วก็ยังผิดภพภูมิด้วยอีกประการหนึ่งเขาก็มีคู่รักแล้วเองเห็นเสาสี่เหลี่ยม ิอยู่ที่ต้นปีบหลังกุฏินั่นไหมนั่นแหละแฟนเขาละ่ะเสาสีดำน่นหรือหอท่านพระครูตอบว่าถูกแล้ววิญญาณผู้หญิงอยู่ในนั้นเขาตามผู้ชายในก้อนหินมาฟังแล้วนายขุนทองก็ร้องกรี๊ว้ยตะเทนหกขมนตีลังกาเจ้าข้าเอ้ย เป็นผีก็ยังอยากมีผัวผีอยากมีผัวอีขุนทองไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผีอยากมีผัวก็ยังไม่วิปริตเท่าผู้ชายอยากมีผัวหรอกขุนทองเอ้ยท่านพระครูพูดประชดประชันแถมยังอยากมีผัวเป็นผีด้วยใช่ไหมฮแทนที่จะโกรธนายขุนทองกลับพูดโตอตอบหลวงลงุงอย่างไม่ลดละ ท่านพระครูได้เรียนรู้นิสัยของหลานชายเพิ่มขึ้นปกติผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนั้นมักจะกลัวผีขี้กโกรธแล้วก็ปากจัดหากนายขุนทองไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมองเห็นความหวังอยู่รำไรว่าคงจะช่วยเขาได้เมื่อไรเองจะหายดัดจริตดีดดิ้นสักทีนะเจ้าขุนทองพูดเป็นเชิงปลารพบ ไม่มีทางไม่มีทางก็ฟ้าเขาลิกิจให้หนูมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ละฮะหลวงลุ ง, ลงชายหนุ่มว่าเอ็งเชื่อฟ้ามากกว่าเชื่อกำรรงั้นหรือหนูอยู่ใต้ฟ้าแล้วไม่เชื่อฟ้าได้ยังไงละฮะข้าก็อยู่ใต้ฟ้าเหมือนกับเอง็งแต่ข้าไม่เชื่อเรื่องฟ้าลิกิดข้าเชื่อแต่การรลิกิดเท่านั้น หนไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนกับหลวงลุงนี่ฮอหรือหลวงลุงว่าจำเป็นใช่หนุ่มย้อนถามแน่นอนข้าไม่ได้บังคับให้เองเชื่อเหมือนข้าเพียงแต่อยากให้เองเชื่อในสิ่งที่มันจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแแรงๆแบบนั้นเออเรื่องความเชื่อน่ะจะบังคับกันไม่ได้หรอกฮะหลวงลุ ง, ลง คนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระแล้วจะให้คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันได้ยังไงจริงไหมฮะโอ้โหวันนี้วันอะไรเนอะพ่อขุนทองถึงได้พูดเข้าทีดีนักท่านพระครูเอ่ยปากชมวันศุกร์้นเก้าคมเดือนสามปีขานพุทธศักราช2517ห้ฮ่อนายขุนทองตอบ เพราะเพิ่งดูปฏิทินมาเอ็งจะทำอะไรก็ไปทำเธอไปประเดี๋ยวข้าจะเขียนหนังสือต่อท่านพระครูไล่ทางอ้อมซึ่งนายขุนทองก็ไม่ว่ากระไรยเขากราบสามครั้งแล้วจัดแจงเก็บสำรับเพื่อจะยกมารับประทานกับนายสมชายที่กุฏิชั้นล่างท่านพระครูลงมือล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำแล้วขึ้นไปเขียนหนังสือต่อ บ่ายสองโมงจึงจะลงไปรับแขกตามตารางที่นายขุนทองจัดไว้พระบูฮียวปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังบิดามานดาเจ้ากรรมนายเวรและสัพพสัตว์หลังจากฉันเช้าแล้วท่านก็เริ่มเดินจงกรมและนั่งสมาธิไปจนได้เวลาฉันเพลนปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันจนเป็นกิจวัตร เว้นเสียแต่ว่าวันใดมีธุระหรือข้อสงสัยจะต้องเรียนถามพระอุปัชฌาย์จารย์จึงจะไปหาท่านที่กุตติท่านเริ่มจะชินกับการดำเนินชีวิตแบบสมณะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสุขสงบไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลส ต, ตัณหาซึ่งจะชักจูงให้ชีวิตต้องร้อนรนกระวนกระวายบัดนี้ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า จะดำรงคงอยู่ในเพศวันพชิตไปจนกว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงไม่คิดที่จะศึกออกไปแต่งงานมีเย้ามีเรือนเชกเช่นคนอื่นๆความหวังของท่านในบัดนี้ก็คืออยากพบพระในป่าที่เคยสอนกรรมฐานให้ท่านพระครูที่ป่าดงพระยายเย็นเมือ่อห้าหปีก่อนพระโบฮีวมีความเชื่อว่าพระในป่า ที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นเป็นองค์เดียวกับพระอรหันต์ผู้มีนามว่าอุตตะที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายัางดินแดนสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช234อันเป็นระยะเวลาที่พระองค์ครองราชสมบัติณพระนครปาตาลีบุตรความรู้อันนี้พระโบเหียวได้มาจากตาราเล่มหนึ่ง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 ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าเมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ก็จะไปถามพระในป่าโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงป่าดงประยาเย็นภิกษุวัยอธิบายให้ผู้อื่นฟังไม่ได้ว่าเหตุใดท่านจึงเชื่อแบบนี้เพราะมันขัดกับหลักของเหตุผลปกติมนุษย์จะมีอายุอย่างมาก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 พอท่านเปิดประตูห้องออกมาก็พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นของท่านจึงเปิดออกอ่านเป็นลายมือของนายรุ่มหาข้อความในจดหมายเป็นของโยมมานดาเพราะนางบุญพาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากเป็นคนยวนท่านอ่านจดหมายของมานดาอย่างตั้งใจจดหมายนั้น เขียนเมื่อวันที่31มอมกราคม 2,517 ความว่าบูเหียวลูกรักจดหมายของเจ้าที่เขียนเมื่อ25หธันวาคม 2,516 นั้นแม่ได้รับเมื่อหลังปีใหม่ก็ดีใจว่าเจ้าเป็นพระแล้วงานแม่ยุ่งไม่มีเวลาตอบกระทั่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยต้องให้ทิดรุ่มเขาเขียนมาเล่าให้เจ้าฟัง เมื่อตอนเช้ามืดแม่กับทิดรุมฝันตรงกันคือฝันเห็นเจ้าห่มผ้าเหลืองมาบอกให้แม่กับทิดเขาเลิกฆ่าสัตว์ให้ไปหางานอื่นทำที่จริงเราก็คิดกันมานานว่าจะเลิกแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินพอดีเมื่งดที่แล้วทิดรุมเขาฝันเห็นเลขเลยแทงหวยใต้ดินไปยี่สิบบาทแล้วมันก็ถูกที่สาคัญคือแม่กาลังจะมีน้องให้เจ้า ตั้งแต่ท้องก็เหม็นกลิ่นเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็ไม่ได้ช่วยทิดเขาแล่เนื้ออีกเลยวันนี้เป็นวันพระไม่ต้องค่าก็เลยค้ อ, อยังชั่วหน่อยแล้วก็เหมือนโชคเข้าข้างเราเพราะเมื่อวานมีคนเข้ามาสมัครงานกับเท่าแก่เท่าแก่เขาก็บอกว่าถ้าทิดรุมออกเขาก็จะรับคนนั้นแทนทิดรุมเคยไปขอลาออกเมื่อสองสาวันก่อนเพราะสงสารที่แม่แพ้มาก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 ข้อความในจดหมายทำให้พระบเฮยวปิตินักท่านรีบเดินไปที่กุติท่านพระครูเพื่อแจ้งข่าวน่ายขุนทองนำท่านขึ้นไปพบหลวงลุงที่ชั้นบนของกุติเพราะชั้นล่างนั้นมีคนมานั่งรอกันบ้างแล้วแม้ว่าอีกตั้งสามชั่วโมงกว่าท่านจะลงมามีอะไรหรือบเฮยวถ้าไม่รีบร้อน ไปชั้นเพงเสก่อนก็ได้ท่านพระครูบอกลูกศิษย์เพราะเกรงฝ่ายนั้นจะหิวกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วผู้เป็นศิษย์จึงตอบว่าผมอิ่มแล้วครับลุงพอฉันปิติเสออิ่มเลยปิติเรื่องอะไรละ่ะแทนคําตอบพระบูเหียวส่งจดหมายฉบับนั้นให้ท่านพระครูรับมาอ่านแล้วแสดงมุทิตาจิตว่า ฉันขออนุโมทนาเห็นไหมเธอทำสำเร็จแล้วเห็นอานิสงของการแผ่เมตตาหรื อ, อยังเห็นแล้วครับผมต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่นอกจากจะเมตตาตัวผมแล้วยังเมตตาไปถึงโยมแม่ผมด้วยและหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากขอความกรุณาหลวงพอ่อช่วยเมตตาโยมพ่อผมด้วยอีกคนเถอะครับ จยากอะไรเล่าบัวเหี่ยวก็ทำอย่างที่เธอทำอยู่นั่นแหละแต่จะต้องให้มากกว่าเก่าเพราะถ้าพลังจิตไม่แข็งแรงพอก็จะส่งไปไม่ถึงเธอต้องฝึกให้เข้มข้นกว่านี้จึงจะสามารถส่งไปพบภูมิอื่นได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละเอาเลยหลุงพี่สู้ส คุณทองจะเอาใจช่วยนายคุณทองเทียออกหน้าออกตาถ้าเองมาช่วยปฏิบัติ ด, ด้วยรับรองว่าสำเร็จแน่ท่านพระครูเห็นช่องทางที่จะน้มน้าวจิตใจหลานชายอุ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยหะหลวงลงุงให้หนูคอยเอาใจช่วยดีฝ่าอย่าให้ถึงกับลงไปขวาย่างหนอสายย่างหนอด้วยเลย นายคุณทองรีบปฏิเสธลุงพอเคยบอกว่ามีคนทำได้มาแล้วเป็นชาวนนเวนะครับผมขออนุญาตฟังได้ไหมครับได้สิถ้าเธออนุญาตให้ฉันเล่าฉันก็จะอนุญาตให้เธอฟังท่านล้อเลียนน้องชายขอพระคุณครับนิมนต์ลุงพอเล่าเธอครับ เธอเห็นรูปพระฝรั่งที่ตั้งอยู่หน้าอาสนะของฉันหรือเปล่าละ่ะนั่นแหละเขาละ่ะอ๋อที่นั่งขัตมัทิหลับตาอยู่ในรูปนั้นใช่มห้คะหลวงลุงแหมล้อเหรอนายขุนทองชมหลอกก็อย่าไปหลงรักเขาเข้าแล้วกันเขามีเมียแล้วท่านพระครูปรามไว้ก่อนรระหอ แหมอีคุณทอง อ, อกหักซส้นแล้วพูดพร้อมกับยกมือขึ้นทาบ อ, อกจะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ลงไปข้างล่างท่านพระครูไล่อย่างสุภาพฟังเหอฟังแหมพูดแค่นี้ก็ต้องมีเหาด้วยหลานชายบ่นอบุบท่านพระครูจึงเล่าว่าเขาชื่อวิโกบบราว์เป็นชาวนอร์เวย์ แต่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปี 2,512 วิกโกเป็นชื่อส่วนบราเป็นนามสกุลเขานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์แต่สนใจอยากศึกษาพระพุทธศาสนาเขาสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ได้ทุนของมหาวิทยาลัยมอรียนภาษาไทยที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์เขาเล่าให้ฉันฟังว่าปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์ชอบศึกษาพระพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกจบทั้งหมดคืออ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ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 คนไทยเส อ, อีกอยังไม่รู้ของดีอะไรครับของดีอะไรฮะพระบุหีเอลและนายคุณทองถามขึ้นนั่นไงคนไทยสองคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่รู้เลยคนไทยคนเดียวครับผมเป็นคนยวนพระบเหีเลรีบแก้ตัวนั่นแหละนี่เงาทั้งคนไทยคนยวนนั่นแหละ เอาละไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังฉันเล่าต่อก็แล้วกันพอปู่พูดอย่างนี้นายวิกโก้ก็ถามว่าของดีอะไรปู่บอกเอาเถอะไปถึงแล้วจะรู้เองหลังจากนั้นนายวิกโก้ก็เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี2511เเรียนอยู่ปีหนึ่ง พอปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็นึกอยากบวชจึงอ่านพระวินัยปิดกทั้งแปดเล่มเขาอ่านภาษาไทยได้พูดก็ได้ใช้ศัพท์ถูกต้องกว่าคนไทยบางคนเสียอีกแล้วเขาก็คิดหาวัดที่จะบวชก็เที่ยวสำรวจวัดต่างๆตั้งแต่กรุงเทพอายุทยาอ่างทองลบบุรีจนกระทั่ง มาถึงวัดป่ามาม่วงนี่ผ่านมาถึงสี่จังหวัดไม่ถูกใจมาถูกใจเอาจังหวัดที่ห้าที่วัดป่ามาม่วงตั้งอยู่นี่เขาเอาอะไรมาตัดสินล่ะครับว่าวัดไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจพระบเฮหยวถามเขาบอกเขาเที่ยวถามพระมาทุกวัดให้ตอบปัญหาเขาแต่ไม่มีวัดไหนตอบได้ ปัญหาที่ว่าคืออะไรเอย่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปเขาบอกไม่มีใครตอบได้เขาก็เลยมาถามฉันฉันก็ตอบเข้าไปจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ละ่ะเพราะเขาไม่ได้ฉเฉลยพอฉันตอบเสร็จเขาก็ขอบวชทันทีลุงพ่อตอบว่าอย่างไรครับ เธอลองตอบสิถ้าเป็นเธอถูกถามอย่างนี้จะตอบว่ายังไงท่านถามพระโบเหียวไม่ทราบครับแต่ผมอยากทราบที่ลุงพ่อตอบเขานะครับฉันตอบไปว่าสี่คนหามก็คือตัวเราซึ่งเกิดจากการประชุมกันของธาตุทั้งสี่คือปฐวีธาตุอโปธาตุวาโยธาตุ โชทาหลวงลุงหนูไม่เข้าใจช่วยแปลหน่อยเธอห้อนายขุนทองขอร้องพระบุเหี่วจึงรับหน้าที่แปลให้ฟังว่าธาตุทั้งสี่ที่ท่านพระครูพูดถึงคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองสามคนแห่ก็คือกิเลสหรืออกุศลลมูลสามได้แก่โลภ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 ขณะที่มีชีวิตก็ถูกโลภโทสะโมหะชักจูงไปพอตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาปที่จะพาไปสุขติหรือทุกขติพอฉันตอบอย่างนี้เขาก็ขอบวชบอกว่าอ่านพระวินัยปิดกเข้าใจหมดแล้วสิกขาบท227ข้อก็จำได้แล้ว ฉันเห็นว่าถ้าทางเข้าทีก็เลยให้บวชแล้วก็สอนกรรมฐานให้เขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังเทศก็เก่งฉันเคยพาไปเทศตามงานต่างๆเทศแบบปุตชาวิสัชนาก็ได้พวกชาวบ้านชอบใจมากวันหนึ่งฉันพาไปเทศงานศพ เขาก็ไปว่าพวกลูกลูกของคนตายฉันต้องรีบพากลับวัดแทบไม่ทันไปว่าเขาทำไมล่ะครับก็พวกนั้นทําไม่ถูกงานศพพ่อลูกลูกพากันกินเหล้าเมาแอเขากดถามพวกนั้นว่าคนที่นอนอยู่ในโรงนะ่ะใครพวกลูกลูกก็บอกว่าพ่อผมเองท่านไม่รู้หรอกหรือหลวงพ่อที่พามา ไม่ได้บอกหรอกหรือเขาตอบว่ารู้แล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วด้วยแต่ที่ถามเพราะอยากรู้ว่าในเมื่อพ่อของพวกคุณตายแล้วพวกคุณมานั่งกินเหล้าต่อนหน้าศพเช่นนี้พ่อคุณจะได้บุญยังไงพอพูดอย่างนี้พวกลูกลูกก็ทําท่าจะตะลุมบอลเพราะคนเมานั้นขาดสติแยกไม่ออกว่านี่พระ นี่ขอรื้อหัดพอพูดผิดหูหน่อยก็จะตลุมบอนพระสิ้นแล้วฉันเลยต้องรีบพากลับวัดพวกชาวบ้านที่มาฟังเทศก็ไม่อยากให้กลับบอกลุงพ่อนิมนต์อยู่ก่อนฉันก็ตอบไปว่าอยู่ไม่ได้รกโยมพระวิโก้ทำพิษสันแล้วแล้วเขาแผ่เมตตาไปให้พ่อแม่ตอนไหนครับ ตอนบวชครบเดือนแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติมากบอกได้หมดว่ารอบวัดนี่เดินจงกรมกี่ก้าวใช้เวลากี่นาทีวันหนึ่งเขาก็ถามฉันว่าเขาจะแผ่เมตตาไปยังพ่อกับแม่ที่นอร์เวย์จะได้ไหมฉันมองหน้าเขาอย่างสำรวจตรวจตราแล้วก็ตอบว่าได้เขาก็ทำอย่างที่เธอทำ วันหนึ่งเขาก็ถือจดหมายมาหาฉันร้องไห้ด้วยเขาบอกเขาดีใจจนต้องร้องไห้จดหมายนั่นใช้เวลาเดินทางเกือบสองเดือนจึงถึงวัดป่ามะม่วงคือเดินทางจากโนเวมาติดอยู่ที่คณะอักรษรศาสตร์เพื่อนเข้ามาเห็นเลยนามาให้เขาเล่าว่าวันนั้นเมื่อเขาทำกรรมฐานเสร็จ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 แต่ก็นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องนอนพอะคนทั้งสี่คุยถึงเขาแม่ก็เลยลุกมาร่วมวงด้วยแล้วทุกคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยอยู่ทางทิศตะวันออกแวบหนึ่งก็หายไปปู่จึงพูดขึ้นว่าหลานของปู่ได้มาพบของดีในเมืองไทยแล้วแม่เขาก็เลยเข้าห้องหยิบปากกาและกระดาษมาเขียนจดหมาย เล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องที่อัศ จ, จรรย์ยิ่งนักเพื่อนเขาสองคนก็ประหลาดใจมากดูก็ประหลาดใจมากมากค่ะหลุงลุงมันเป็นไปได้ยังไงผ้าเหลืองจากเมืองไทยลอยไปประเทศโนเวย์ไม่ใช่ผ้าเหลืองจริงๆห ร, รอกเจ้าคุณทองที่คนทั้งห้าเห็นนั่นนะ่ะเขาเรียกว่านิมิตถ้าเอ็งอยากพิสูจน์ ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูถือโอกาสเกลี้ยกล่อมหลานชายที่กำลังจะกลายเป็นหลานสาวอุ้ยกรรมฐานกรรมโทนอีขุนทองไม่เอาไม่เอานายขุนทองปฏิเสธสิงลั่น